กราวภาคในปัจจุบันนี้ได้มีหนังสือหลายต่อหลายเล่มที่ผู้เขียนได้เสนอแนะวิธีฝึกและเสริมสร้างพลังความจำโดยให้ชื่อต่างๆกันและบางก็โฆษณาว่าเป็นหนังสือที่เมื่ออ่านแล้วจะทำให้ความจำของคุณดีขึ้นภายในยี่สิบวันแต่แม้กระนั้นก็ยังปรากฏอยู่เสมอในปลายปีการศึกษาว่ามีนักเรียนจานวนหลายพันหลายหมื่นคนสอบไล่ตกทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักเรียนเหล่านั้นไม่สามารถจะจดจำวิชาต่างๆที่ครูอาจารย์สอนไว้ในสมองของเขาได้หรือไม่ก็เพราะว่าความจำของเขาได้สูญหายไปจากสมองในเมื่อเขาต้องเผชิญหน้ากับครูผู้สอบสัมภาษณ์หรือประจันหน้ากับคำถามในการสอบไล่คนส่วนมากมักจะพร่ำบน่นคล้ายจะร้องทุกข์กับใครต่อใครเสม อ, สมอว่าเขาช่างไม่มีความจำเสียเลยหรือว่าความจำของเขาเลวเต็มทีแต่ทว่าคุณได้เคยสังเกตบ้างหรือเปล่าว่า มีคนเพียงจำนวนน้อยเหลือเกินที่จะพร่ำบ่นว่าเขาเป็นคนไร้สติปัญญาเหล่านี้เป็นความจริงที่ขัดแย้งกันอย่างน่าประหลาดเพราะแม้ว่าไม่มีใครจะรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องสติปัญญาความรู้ของตนแต่กลับมีคนทุกคนรับผิดชอบในเรื่องที่ว่าตัวเขามีความจำมากหรือน้อยกว่าซึ่งเป็นเรื่องประหลาดอยู่เป็นความจริงที่ว่าคนบางคนย่อมมีความจาดีเป็นพิเศษ ดังจะเห็นได้บ่อยๆจากรายการไทยปัญหาชิงรางวัลต่างๆทางโทรทัศน์ซึ่งถ้าคุณสนใจในรายการตอบปัญหาชิงรางวัลทางโทรทัศน์แล้วจะเห็นได้ว่าผู้ชมทั้งหลายต่างชมเชยในความสามารถของผู้เข้าแข่งขันผู้ซึ่งสามารถตอบปัญหาจากความจำของพิธีกรซึ่งได้ถามยากขึ้นตามลำดับได้อย่างถูกต้องเหล่านี้เป็นเพราะอะไร คำตอบจะหาได้ไม่ยากและด้วยข้อยกเว้นบางประการความจริงย่อมปรากฏชัดว่าเราทุกคนนั้นล้วนแล้วแต่มีความสามารถที่จะหาให้ได้ถึงความจริงในเรื่องเกี่ยวกับความจำหลายคนอาจจะสงสัยว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ผู้เข้าประกวดตอบปัญหาเหล่านั้นมีความจำดีเป็นพิเศษของรางวัลเงินรางวัลเสียงปรบมือชมเชยหรืออะไรกันแน่อย่างไรก็ดีข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวว่า ในการตอบปัญหาชิงรางวัลต่างๆนั้นของรางวัลเงินรางวัลเสียงปรบมือชมเชยนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่เข้าตอบปัญหานั้นเกิดสนใจที่จะค้นคว้าจดจำนอกจากนั้นความกระตือรือร้นก็นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้มนุษย์เราศึกษาในรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องซึ่งมีความสนใจหรือทำให้เราเกิดสนใจเกิดความคิดคำนึ่ง นี่แหละคือจุดหมายที่ข้าพเจ้าต้องการจะย้ำต้องการจะเน้นให้คุณเห็นความสำคัญเพราะถ้าขาดความสนใจเสียแล้วคุณย่อมจะจำไม่ได้แม้แต่ชื่อของคนที่คุณได้พบได้รับการแนะนำให้รู้จักในงานสังคมต่างๆทั้งนี้ก็เพราะมนุษย์เราจะสนใจจดจำก็เฉพาะสิ่งที่หรือคนที่ทำให้เราเกิดความสนใจเท่านั้น ได้มีคนจํานวนมากมายที่พร่ำบ่นว่าเขาเหล่านั้นไม่มีความทรงจําแต่คนเหล่านั้นไม่ได้เข้าใจให้ลึกซึ้งลงไปหรอกว่าเขาได้กําลังพูดอะไรออกไปข้าพเจ้าอาจทราบได้อย่างเต็มปากว่าถ้าเขาเหล่านั้นปราศจากความจําเสียแล้วเขาไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้ทั้งนี้ก็เพราะความทรงจําเท่านั้นซึ่งสามารถจะทําให้เราอ่านหนังสือได้เขียนหนังสือได้สามารถทําเลขคณิตได้และสามารถจะทําอะไรอะไรได้อีกหลายร้อยหลายพันอย่าง ดังนั้นถ้ามนุษย์เราปราศจากความทรงจําเสียแล้วเราจะไม่สามารถทําความเข้าใจอะไรได้เลยเพราะในทุกๆวินาทีที่กําลังมาถึงเราก็ลืมสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อวินาทีก่อนดังนั้นทุกๆวินาทีที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเราจึงกําลังฝึกความจําของเราเพราะการฝึกฝนจะทําให้ความจําที่ทุกคนมีอยู่แล้วให้มีสมรรถภาพดีขึ้นซึ่งถ้าเปรียบความจําเป็นเครื่องจักรแล้วการฝึกความจํา ก็เปรียบเสมือนน้ำมันหยอดเครื่องที่ทำให้เครื่องจักรสามารถทำหน้าที่ได้อย่างคล่องแคล่วไม่ติดขัดความจำนั้นเปรียบเสมือนกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งของร่างกายถ้าหากว่าคุณฝึกฝนอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วความจำก็จะเริญงอกงามขึ้นแต่ถ้าหากว่าคุณไม่ค่อยขัดเกลาอยู่เสมอแล้วมันก็จะค่อยเสื่อมสลายไปทีละเล็กทีละน้อยมีคนจานวนมากที่คิดว่า ความทรงจําของมนุษย์เรานั้นเป็นพรสวรรค์อันหนึ่งที่ได้เกิดมีแก่คนบางคนที่สวรรค์ทรงโปรดเท่านั้นเขาเหล่านั้นคิดว่าธรรมชาติได้แบ่งแยกให้มนุษย์แต่ละคนมีความจํามากน้อยผิดแปลกแตกต่างกันซึ่งเป็นความเข้าใจผิดเราใคร่จะขอเน้นว่าความจํานั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่มาจากสวรรค์ไม่ได้มาจากพระจันทร์หากแต่ความจําของเราจะมีสมรรถภาพเพียงใด มีปริมาณมากน้อยเท่าใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับสุขภาพทั้งทางกายและทางใจของเราเองทั้งนี้คุณอาจจะแลเห็นความจริงในข้อนี้ได้จากการสังเกตอย่างง่ายๆเช่นความทรงจำของคุณจะเสื่อมซามไปถ้าหากคุณเกิดมีความเหน็ดเหนื่อยมีประสาทเครียดมีความกลุ้มใจและถ้าหากว่าคุณเป็นนักศึกษากาลังทาการตอบข้อสอบไล่แล้วคุณเกิดมีอาการดังกล่าวนี้แล้วล่ะก็แน่นักที่ว่า คุณจะทำได้เพียงจับปากกาจรดอยู่กับแผ่นกระดาษแต่ไม่อาจจะเขียนตัวอักษรที่เหมาะใจออกมาได้เลยนอกจากนั้นถ้าหากว่านักเรียนนักศึกษาเกิดมีความตื่นเต้นขณะเข้าสอบไล่แล้วเจ้าความตื่นเต้นเหล่านั้นแหละที่จะกลายเป็นเสมือนสิ่งที่ขวางกัน้นบุคลิกลักษณะอันแท้ จ, จริงของเขาเหล่านั้นเสียสิน้นและเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วความจาที่เคยสดใสก็จะกลายเป็นโรง่ง ที่เต็มไปด้วยความเมืดสมองตื้อตันไม่มีความจำใดๆจะโผล่พูดขึ้นมาเลยดังนั้นสิ่งที่กล่าวมาแล้วจึงเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความจำของคนใดจะดีหรือเลวมากหรือน้อยเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับการทำงานของมนุษย์แต่ละคนและเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างชัดแจ้งว่าการฝึกความจำของคุณ น, นั้นก็หมายถึงการฝึกบุ ค, คลิกลักษณะทั้งหลายทั้งปวงในตัวคุณไปด้วยในตัว มนุษย์เรานั้นเมื่อเจริญว sure? ัยเติบโตขึ้นเราก็ยิ่งมีเรื่องที่จะต้องศึกษาจดจำเพิ่มเติมมากขึ้นและส่วนมากสิ่งที่เราจะต้องจดจำนั้นมักไม่ใช่สิ่งที่น่าตื่นเต้นสนใจเป็นพิเศษและเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วการที่เราจะจดจำสิ่งเหล่านั้นให้ได้หมดสิ้นจึงเป็นเรื่องที่ยากลำบากและแทบจะเป็นไปไม่ได้เอาทีเดียวก็ถ้ากระนั้นแล้วเราจะทาอย่างไรคาตอบก็คือทั้งหมดที่เราจะต้องกระทานั้นได้แก่ การฝึกฝนด้วยความอดทนและหมั่นเพียรวันแล้ววันเล่าไม่หยุดยัง้งการกระทำเช่นนั้นเป็นความยากลำบากนักหรือเปล่าไม่ลำบากอะไรเลยมันเป็นงานที่จะต้องใช้เวลายาวนานหรือก็ไม่นานเท่าใดนักแล้วผลที่จะได้รับนั้นเล่าสามารถจะประกันได้หรือว่าให้ผลดีจริงคำตอบก็คือได้ผลแน่นอนที่สุดถ้าเปรียบความจำกับสัตว์ป่า ก็นับได้ว่าความจำเป็นสัตปาที่มีแต่ความงุ่มงามซึ่งเราจะต้องพยายามฝึกสอนให้ถูกวิธีจึงจะนำมาใช้งานอย่างได้ผลและถ้าจะเปรียบความจำเป็นเหมือนเครื่องจักรมันก็เป็นเครื่องจักรที่เราจะต้องคอยควบคุมดูแลและซ่อมแซมหยอดน้ามันหล่อลื่นอยู่เสมอการพัฒนาความจำของคุณก็หมายความว่าเป็นการพัฒนาความเข้าใจของคุณ พัฒนาให้รู้จักการใช้ดุลยพินิษฐ์ในการตัดสินพัฒนาให้รู้จักการใช้สัมรวมเพ่งเล็งการหาเป้าหมายในการดำเนินชีวิตและการส่อหาความหมายในการกระทำต่างๆของคุณในการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเองจุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ ก็คือเพื่อที่จะช่วยคุณในการพัฒนาความสามารถให้ทุกคนมีสมรรถภาพในความจำซึ่งทุกคนปรารถนาแต่ก็ยังมองหาช่องทางไปสู่ความสำเร็จไม่ได้นอกจากนั้นข้าพเจ้าใครจะชี้ให้เห็นชัดว่าความจำนั้นไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสวรรค์จะประทานมาสำหรับบุคคลเพียงเฉพาะบางคนบางหมู่เท่านั้นหากแต่มันเป็นเสมือนสัตว์ป่าที่งุ่มง่ามดังกล่าวมาแล้วซึ่งทุกคนจะนำมันมาใช้ได้ถ้ารู้จักวิธี เรื่องขำขำเกี่ยวกับความจำคำว่าความทรงจำก็เป็นเสมือนกับคำอื่นๆในภาษาพูดภาษาเขียนของเรามีทั้งความดีอย่างดีที่สุดและความเลวชนิดร้ายที่สุดรวมกันอยู่ในความจำนั้นพูดง่ายๆก็คือความจำให้ทั้งผลดีและผลร้ายเสมือนมีดสองคมบางคนกล่าวหาว่าความจำคือศัตรู ข, ของความรู้แต่บางคนก็พูดว่า ความจำเป็นความสำคัญที่ทําให้มนุษย์เราสามารถศึกษาเล่าเรียนได้และประสบความสําเร็จดังปรารถนาซึ่งเป็นการขัดแย้งกันแต่ความคิดของบุคคลทั้งสองฝ่ายนั้นล้วนแต่เป็นความจริงทั้งสิ้นเพื่อนของคุณป้าของข้าพเจ้าคนหนึ่งได้กล่าวว่าหลานชายของฉันประสบความสําเร็จในการศึกษาเล่าเรียนเพราะเขามีความจําดีมากซึ่งฉันจําต้องขอบใจต่อเจ้าความจํานั้นมากเหลวไหลป้าของข้าพเจ้าตอบ ถ้าหากว่าเขามีแต่เพียงความจําทั้งนี้เพราะป้าข้าพเจ้าถือว่าถ้าเขามีแต่ความจําเพียงอย่างเดียวแต่ขาดสติปัญญาความคิดแล้วเขาก็จะไม่สามารถเรียนได้สําเร็จแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าความจําไม่ใช่สิ่งสําคัญสําหรับชีวิตมนุษย์และสัตว์จงสังเกตว่าถ้ามนุษย์เราปราศจากความจําเมื่อไม่มีความจําใดๆเลยเราจะไม่อาจมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้แม้เพียงหนึ่งสัปดาห์เท่านั้น ทั้งนี้เพราะความจําเป็นรากฐานที่ทำให้เกิดนิสัยและส่งผลสะท้อนทางจิตใจเราต้องใช้ความจําทั้งในเรื่องของการกระทําต่างๆการศึกษาเล่าเรียนคุณล่ะเป็นคนชนิดใดทุกวันนี้เรามักจะได้พบคนที่มักจะกล่าวประโยคต่อไปอยู่เสมอคือเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะฉันจําได้ว่าฉันยังนึกได้อยู่เมื่อสักครู่นี้เองนี่นาเรื่องเออ จำได้ว่ามันอยู่บรรทัดบนสุดในหน้าแรกทางขวามือตรงนั้นยังมีรอยหมึกหยดอยู่เลยหรือไม่ก็กลิ่นนี้มันทำให้ฉันหวนนึกถึงอะไรบางอย่างมันเป็นภาพขนาดที่ฉันยังอยู่ในวัยเด็กเอมันเป็นอะไรนะหรือมิฉะนั้นก็ว่าในระหว่างเวลาสอบไล่ฉันเกือบจะเขียนคำตอบได้อยู่แล้วฉันได้เขียนมันเมื่อเย็นวันก่อนวันสอบนั่นเองแต่แล้วเมื่อถึงเวลาสอบฉันกลับนึกไม่ออกจาไม่ได้ เหล่านี้ได้แสดงให้เห็นอะไรบ้างมันแสดงให้เห็นว่าเราไม่สามารถจะจำสิ่งที่เราต้องการจะนึกเพียงสิ่งเดียวแต่ในขณะเดียวกันเรายังจำเรื่องอื่นได้อีกมากมายหลายเรื่อง มนุษย์เราแต่ละคนมีความสามารถในการจดจำผิดแปลกกันไปบางคนจำสิ่งเล็กๆ น, น้อยๆที่มีตัวมีตนได้เก่งและแม่นยำในขณะที่อีกหลายคนจะจำได้แม่นยำถ้าได้เห็นรูปภาพไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายภาพวาดภาพสเก็ตภาพสีและอื่นๆบางคนได้อ่านหนังสือออกเสียงดังๆแล้วเขาจะจำได้แม่นยำและบางคนจะจำได้ถ้าหากว่าได้ยินเสียงพูดของตนเองอีกครั้งจากเครื่องบันทึกเสียง ข้าพเจ้าเชื่อว่าคนเราจะมีความจำเพิ่มขึ้นได้ในวิธีใดนั้นมักจะเกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในวัยเด็กเพราะในระยะนั้นเป็นระยะที่สมองของเราอยู่ในที่จเจริญพัฒนายิ่งขึ้นและในระยะนี้แหละจะเกิดผลดียิ่งถ้าได้มีการฝึกฝนเพื่อเสริมสร้างพลังความจำและถ้ายิ่งเราได้ทราบว่าเด็กคนใดจะเพิ่มความจำได้ด้วยวิธีใดจึงจะเหมาะด้วยแล้วการฝึกฝนก็จะยิ่งง่ายขึ้น การศึกษาถึงความเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันของเด็กอย่างใกล้ชิดก็จะทําให้เราได้รับความรู้ในเรื่องนี้มากพอสมควรเช่นกันปฐมวัยกับความจํานับตั้งแต่ปรถมวัยมาแล้วที่มนุษย์เราสามารถจะรับเอาความรู้สึกต่างๆเข้ามาไว้ในความทรงจําการารับเอาในความรู้สึกต่างๆเหล่านี้แหละที่เป็นการเริ่มต้นในการศึกษาของทารกเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วบิดามารดาควรจะได้กระทําอะไรบ้างส่วนมากของมารดาบิดา มักจะพยายามปลูกฝังนิสัยที่ดีงามลงไว้ให้เป็นแบบฉบับที่ดีด้วยวิธีใดก็ด้วยการที่เฝ้าพร่ำสอนหรือทำสิ่งที่ตนเห็นว่าดีงามนั้นซ้ำาๆ ซ, กซากๆให้เด็กได้เห็นได้ยินเหล่านี้คือการขัดเกลวนนิสัยหรือปลูกฝังนิสัยที่ดีงามลงในตัวเด็กตั้งแต่ปฐมวยัย เพราะขณะนั้นสมองของเด็กยังสดใสสะอาดบริสุทธิ์เมื่อเราได้ยินได้เห็นแต่สิ่งที่ดีงามที่สะอาดเรียบร้อยเขาก็จะรับเอาเข้าไว้และจดจำไว้ในสมองที่ข้าพเจ้ากล่าวถึงนี้หมายถึงเด็กในรายปกติธรรมดาทั่ ว, วไปไม่ใช่ประเภทเด็กพิการเด็กปัญญาอ่อน ในทำนองเดียวกันเด็กๆก็พยายามเสาะหาและปลูกฝังนิใสัยให้แกตนเองด้วยการเฝ้ามองดูการกระทำต่างๆการพูดจาท่าทางต่างๆของมารดาบิดาที่เขาได้มีโอกาสใกล้ชิดมากกว่าคนอื่นใดเด็กจะยิ้มหัวเมื่ออยู่ใกล้มารดาบิดาเพราะเด็กรู้สึกว่ามารดาบิดานี่แหละที่สามารถจะปกป้องพยันตรายต่างๆมิให้มาพองพานตัวของแกได้ อันนี้เป็นความรู้สึกอันเกิดจากสัญชาตญาณของบุตรที่มีต่อมารดาบิดาและต่อมาสิ่งนี้แหละได้กลายเป็นความทรงจําอันแรกเริ่มของเด็กแล้วต่อไปอะไรจะเกิดติดตามมาสมองของเด็กกระทําหน้าที่คล้ายฟองน้ําโดยจะดูดซึมทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเข้าไว้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์หรือไร้ประโยชน์ไม่ว่าจะน่านิยมยินดีหรือไม่พึงปรารถนา ต่างเข้าไปรวมไปสมกันอยู่อย่างยุ่งเหยิงไม่มีการจัดระเบียบความจำในวัยเด็กไม่มีการแบ่งชั้นของความสำคัญและไม่สำคัญของความจำนั้นๆเด็กๆมักจะเก็บความจำเอาไว้มากมายแต่เมื่อรับเอาเข้าไว้เก็บไว้ในสมองแล้วก็จะเลือนหายไปอย่างรวดเร็วเหลือนำมาใช้ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นทั้งนี้ก็เพราะเหตุผลง่ายๆที่ว่าความจำของเด็กทารกวงเล็เปิดข้าพเจ้าหมายถึงทารกที่อายุต่ากว่าสาขวบวงเล็เปิด นั้นเป็นความจําที่ขาดการจัดระเบียบและแบ่งแยกประเภทซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ขาดเสียมิได้สําหรับความจําอันยาวนานคืนวันเดือนและปีผ่านไปเมื่อเด็กมีอายุประมาณสี่หรือห้าขวบความจําบางอย่างจะเริ่มฝังแน่นลงไปในสมองความจําเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวโยงกับอารมณ์และความยินดียินร้ายความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนอกจากนั้นยังเกี่ยวพันไปถึงบรรยากาศในบ้านของเด็กๆนั้นด้วย โดยเฉพาะการแสดงออกของบิดามารดาและอื่นๆเมื่อเด็กมีอายุประมาณ8ขวบเครื่องจักรแห่งความจำที่แท้จริงจะเริ่มมีขึ้นและจะเจริญงอกงามถึงวัยรุ่นหนุ่มรุ่นสาวสมองของเด็กวัยนี้จะเริ่มทำงานจัดระเบียบความเฉียบแหลมและความมีระเบียบของความจำจะเริ่มขึ้นในวนัยนี้และจะมีต่อไปจนถึงอายุประมาณ30ปีจากนั้นไปวงเล็บเปิด ภายหลังอายุ30ปีแล้ววงเล็ปิดความจาจะเริ่มต้นเสื่อมลงจำอะไรได้ยากและช้าซึ่งข้าพเจ้าได้พบมาแล้วว่าในระยะที่ความจาเสื่อมนี้มักจะไม่ใครมีใครสังเกตเห็นเพราะว่าการลดน้อยถอยลงของพลังแห่งความทรงจานั้นมีส่วนสมดุลกับการจัดระเบียบความกระจ่างแจ้งและความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นในการจัดระเบียบบริหารและแล้วคนเราก็จะล่วงเข้าสู่วัยชรา ในระยะนี้จะไม่มีปรากฏการณ์ใดๆแสดงออกมาให้เห็นเลยว่าความจำจะเจริญตัวต่อไปอีกทุกอย่างในร่างกายจะเริ่มช้าลงความจำแต่เก่าก่อนที่เก็บไว้ตั้งแต่ปีก่อนๆน้นจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะสูญหายไปจากความทรงจำของเราเครื่องจักรแห่งความจำทำงานอย่างใดความจำของเรานั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องอยู่กับจิตใจอย่างกว้างขวาง ทุกๆวันทุกๆเวลาที่จะมีสิ่งต่างๆหลั่งไหลเข้ามาสู่สมองของเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นความจริงหรืออารมณ์แห่งชีวิตประจําวันมีข้อเท็จจริงต่างๆมากมายหลายอย่างที่เราต้องการที่จะจําเพื่อให้สอบไล่ได้ในระยะเวลาแห่งการศึกษาแต่ก็มีข้อเท็จจริงอีกหลายอย่างเหมือนกันที่ถูกกรองผ่านเข้าสู่สมองของเราโดยที่เราไม่ต้องการที่จะจดจําแม้แต่น้อย เช่นรูปภาพที่เราได้เหลือแแปลเห็นความคิดนึกของเพื่อนฝูงที่เราได้ยินเขาพูดให้ฟังเป็นต้นความจำนั้นอาจเกิดขึ้นได้ในทุกขนทุกแห่งถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ให้ความสนใจต่อสภาพแวดล้อมซึ่งได้กอ่อให้เกิดความทรงจำขึ้นก็ตามเหล่านี้เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ยกมาเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะให้คุณคุณได้เข้าใจว่าสมองของเด็กๆได้รับเอาสิ่งต่างๆขึ้นไว้ด้วยอาการอย่างไรและด้วยวิธีใดเท่านั้น ซึ่งถ้าจะสรุปแล้วก็อาจกล่าวได้เป็นข้อขอดังนี้คือส่วนใหญ่ของความจำเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะจำสมองของเราทำการบันทึกสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาอย่างไม่หยุดยอนและเป็นการบันทึกโดยอัตโนมัติเกือบจะตลอดเวลาคนที่มีความเข้าใจอย่างกว้างขวา ง, วางมีไหวพริบนั้นย่อมมีโอกาสที่จะมีความจาได้ดีกว่าเมื่อความจารับเอาสิ่งต่างๆเข้าเก็บไว้โดยหลักการแล้ว การที่สมองของเราได้รับเอาสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาไปเก็บไว้นั่นแหละคือมูลฐานที่มาของความจำสมองของมนุษย์เป็นเสมือนสถานที่เก็บความจาอันกว้างขวางใหญ่โตเป็นเสมือนเทปบันทึกเสียงเป็นเครื่องบันทึกเสียงที่ต้องการเครื่องปิกอัพมาทำงานเพื่อช่วยให้สิ่งที่บันทึกไว้นั้นดังสะท้อนให้เราได้ยินว่าได้มีการบันทึกอะไรไว้บ้างและโดยทฤษฎีที่เป็นความจริงสมองของเราได้ทำการดูดซึม และเก็บรักษาเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นไว้เพื่อจ่ายและคืนออกมาเมื่อมีความต้องการหรือในบางครั้งมันอาจพูดขึ้นมาทั้งที่เราไม่ต้องการก็ได้เหล่านี้แหละที่เราเรียกว่าความจำปัญหาในเรื่องใครจะมีความจำดีหรือไม่เพียงใดนั้นอยู่ที่ว่าเราจะต้องรู้ว่าเมื่อใดสมองของเราจึงจะมีสภาวะดีที่สุดสาหรับการที่จะได้รับเอาเหตุการ์ที่ผ่านเข้าไว้ในสมอง บางครั้งบางคราวอารมณ์ที่ไม่แน่นอนไม่วอกแวกจะทำให้เราจดจำสิ่งต่างๆที่ได้ยินได้เห็นอย่างไม่มีวันลืมบางครั้งบางคราวความตั้งใจที่จะจดจำก็ช่วยให้สมองรับเอาเหตุหรือเรื่องราวที่จะจำนั้นได้อย่างแม่นยำขึ้นและบางครั้งบางคราวอีกเหมือนกันที่การระลึกนึกถึงความจริงอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับความจริงหรือข้อเท็จจริงอันแรกและต่อๆไปนั้นก็ช่วยให้เรามีความจาได้มากขึ้นเช่นกัน ด้วยเหตุต่างๆดังกล่าวนี้เราพอจะเห็นได้แล้วว่าความจำของมนุษย์เรานั้นอาจจะฝึกฝนให้เกิดขึ้นได้และอาจจะฝึกความจำที่มีอยู่บ้างแล้วให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้อย่างไรก็ดีความจำต้องการให้สมองเป็นเครื่องช่วยให้ความจำผุดขึ้นมาได้ในเมื่อเราต้องการจะใช้เช่นเดียวกับเสียงดนตรีที่ต้องการเครื่องบันทึกเสียงช่วยเมื่อต้องการจะให้เกิดเสียงนั้นขึ้นอีก สมองของเราก็เป็นอวัยวะเช่นเดียวกับอวัยวะอื่นๆของร่างกายที่จะสามารถทำงานตามหน้าที่ได้ดีเพียงใดนั้นย่อมแล้วแต่ว่าเราจะได้ฝึกฝนในการใช้อวัยวะนั้นเพียงใดหรือไม่และเพราะความจำของเราขึ้นอยู่กับสภาวะของสมองของเราดังนั้นความจำที่เกิดขึ้นในขณะสมองของเรามีอาการเหนื่อยหน่ายนั้นย่อมเกิดผลน้อยกว่าความจาที่เกิดในขณะที่สมองมีอาการปกติ การจดจำหรือความทรงจำจะดีหรือเลวเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับสภาพดีเลวของสมองเป็นการสำคัญกล่าวคือต้องพิจารณาประกอบว่าสมองได้รับการบํารุงเลี้ยงดูดีเพียงใดการเลี้ยงบํารุงสมองนั้นเกี่ยวโยงกับการสูบฉีดหมุนเวียนของกระแสโลหิตซึ่งในการสูบฉีดหมุนเวียนของโลหิตนั้นจะดูดซึมเอาอากาศบริสุทธิ์ออกซิเจนเข้าไปซึ่งข้าพเจ้าจะกล่าวถึงโดยละเอียดในลาดับต่อไป เมื่อความจําพร้อมที่จะแสดงออกมาให้ปรากฏย่อมเป็นที่เข้าใจกันทั่วๆไปแล้วว่าคนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความทรงจำดีนั้นจะต้องเป็นผู้ที่สามารถจะเรียกเอาความจํานั้นออกมาใช้ได้ในทันทีที่ต้องการการแสดงออกมาถึงความจํานั้นในบางครั้งก็อาจเป็นไปโดยอัตโนมัติคือเมื่อเรานึกจะใช้ความจานั้นเมื่อไรมันก็ผุดขึ้นมาโดยไม่ต้องเสียเวลาคิด แต่เราจะเห็นว่ามันจะไม่เป็นเช่นนั้นในทุกๆครั้งที่เราต้องการเพราะมีส่วนประกอบปลีกย่อยมากมายที่สมองของเราได้รับได้บันทึกเข้าไว้นั้นมาขัดขวางหรือปิดกั้นการระลึกได้ของเราเสียจนไม่สามารถจะนำเอาความจำที่เราต้องการนั้นออกมาใช้ได้อุปสรรคแห่งการรื้อฟื้นความจาดังกล่าวนั้นได้แก่อารมณ์ที่ไม่ปกติความหวาดกลัวความเครื่งเครียดเกินไป ความเหน็ดเหนื่อยและโรคประสาทเป็นต้นในขณะที่เราเกิดมีอาการดังกล่าวนี้แม้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งความทรงจำของเราจะไม่ยอมผุดขึ้นมาตามที่เราต้องการคล้ายกับว่ามันสูญหายไปเสียแล้วคิดนึกเท่าไหร่ก็ไม่ออกและก็เช่นเดียวกันที่ในการสอบไล่ปากเปล่าคือที่เรียกว่าสอบสัมภาษณ์เมื่อเราต้องไปยืนหรือนั่งอยู่เบื้องหน้ากรรมการพูดสอบถามเราเรามักจะทากิริยาต่างๆกันเช่น บางคนกัดเล็บเป็นการเตือนหรือเตรียมใจเพื่อจะใช้ความจำซึ่งมันอาจจะได้ผลหรือไม่ก็เป็นได้ทั้งสองอย่างทั้งนี้แล้วแต่ว่าเราจะมีสมาธิแน่แน่พอที่จะขจัดเจ้าสิ่งปลีกย่อยที่เป็นอุปสรรคขัดขวางนั้นให้พ้นไปได้หรือไม่ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าในการกระตุ้นเตือนเอาความทรงจำที่ถูกเก็บไว้ในสมองออกมาใช้นั้น ความมีจิตใจปกติไม่ตื่นเต้นในขณะที่เรากำลังจะเรียกและรื้อฟื้นความทรงจำออกมาใช้นั้นย่อมเป็นสิ่งประกอบที่มีความสำคัญมากที่สุดไม่ว่าจะในสภาพการเช่นไรขอให้เราตระหนักไว้ว่าจิตใจของเรานั้นทำงานอย่างไม่มีเวลาหยุดแม้ในระหว่างที่เราหลับ ความจำนั้นไม่ใช่สิ่งที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่ใช่อยู่แต่เฉพาะในสถานะใดสถานะหนึ่งเท่านั้นหากแต่มันจะเกี่ยวโยงต่อเนื่องกันไปในทุกสิ่งทุกอย่างในอาณาจักรทางใจดังนั้นขอให้ข้าพเจ้ากล่าวย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในการที่จะพัฒนาความจำของคุณให้ดีขึ้นโดยที่คุณไม่พัฒนาสมองของคุณให้ดีขึ้นพร้อมกันไปด้วย ความพยายามขุดค้นความจำขึ้นมานั้นย่อมเกี่ยวพันกันเป็นเสมือนลูกโซ่เพราะว่าจากการที่เราจำคำคำหนึ่งได้จะทำให้เรานึกถึงคำอีกคำหนึ่งได้ด้วยจากการที่เราจดจำเหตุการณ์อย่างหนึ่งได้จะทำให้เรานึกถึงเหตุการณ์อีกอย่างหนึ่งขึ้นมาได้อีกด้วยและจากนั้นก็จะนึกได้ถึงเหตุการณ์ต่างๆต่อกันไปอีกเป็นลำดับไปทั้งนี้กล่าวได้ว่าเป็นความคิดนึกที่เกิดต่อเนื่องกันไปซึ่งในที่สุด ก็จะพาเราไปถึงความจำที่เรากำลังต้องการนำกลับมาใช้จนได้จงจำไว้ว่าความจำในทุกๆเรื่องนั้นมักจะเกี่ยวโยงความจำในเรื่องอื่นๆประหนึ่งลูกโซ่ความจำของมนุษย์เรานั้นแยกได้เป็นสองลักษณะคือความจำที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจเจตนาจะจดจำและความจำที่เกิดขึ้นโดยไม่เจตนาจะจดจา ความผิดพลาดทั้งหลายแม้กระทั่งความพลาดหวังในการสอบไล่นั้นเป็นผลมาจากความจำที่ไม่ได้ตั้งใจจะจำและเราไม่สามารถจะบังคับมันได้นั้นได้ผุดขึ้นมาบังคับความจำที่เราต้องการจะใช้เสียสิ้นทั้งๆที่เราไม่ต้องการที่จะใช้มันแต่เจ้าความจำประเภทที่เกิดขึ้นโดยไม่เจตนานี้จะผุดขึ้นมาในความนึกคิดของเราในทันทีทั้งๆที่เราไม่ได้มีความตั้งใจจะให้มันเกิดขึ้น มันเกิดขึ้นมาบทบังความจำที่เราต้องการจะระลึกต้องการจะใช้เสียสิน้นทั้งเป็นสิ่งที่เราไม่อาจจะบังคับได้ตัวอย่างนักเรียนคนหนึ่งเมื่อเข้าห้องสอบไล่เขาเกิดมีอาการประหม่าจนไม่อาจจะจำอะไรได้ทั้งทั้งที่เขาเป็นคนเรียนเก่งควรที่จะจดจำวิชาที่เขาได้เคยศึกษาเล่าเรียนมาตลอดปีนั้นได้เป็นอย่างดีแต่เขากลับคิดอะไรไม่ออกเลยตกอยู่ในความหวาดกลัวเมื่อถูกสอบสัมภาษณ์เขาพูดตะกุกตะกัก เหมือนคนติดอ่างจำอะไรไม่ค่อยได้เหมือนกับมีจุดดาอะไรมาบดบังอยู่ฉะนั้นความจำต่างๆที่เคยมีสูญหายไปสิน้นในกรณีเช่นนี้กล่าวได้ว่าเขาไม่มีความจำที่ตั้งใจจำใบนั้นเหลืออยู่แม้แต่น้อยเพราะความจำอย่างอื่นซึ่งเขาไม่ปรารถนาจะจดจำได้พยายามขึ้นมาปรากฏอยู่บนผิวพื้นความจำทั้งมวลเสียสิน้นข้าพเจ้าเชื่อว่า ทุกคนทราบเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เพราะทุกคนที่เคยผ่านการศึกษามาแล้วย่อมจะต้องเคยพบกับเหตุการณ์นี้อย่างน้อยก็สักครั้งหนึ่งแต่เราคงจะไม่ทราบกันว่าอะไรทำให้เกิดเป็นเช่นนั้นจึงใคร่ขออธิบายว่า ความจำที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจนั้นมีระบบการทำงานในความคิดที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันทั้งๆ ท, ที่ความคิดแรกเริ่มนั้นไม่ใช่ความคิดที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยไม่ได้ตั้งใจแต่เป็นความคิดที่ต่อเนื่องมาจากความคิดที่เราพอใจจะคิดเป็นรากฐานและแล้วก็ชักโยงต่อเนื่องกันไปถ้ากระนั้นความจาคืออะไรการกระทำทุกอย่างของเรานั้นย่อมนำมาซึ่งสิ่งสะท้อนกลับมากมาย อันไม่อาจจะคํานวณได้แน่นอนทุกๆนาทีที่ผ่านเราได้รับเอาผลของการกระทำแต่ละอย่างเข้าไว้ในสมองและแล้วเราก็ลืมการกระทาอันไม่ใช่สิ่งที่เราสนใจเป็นพิเศษนั้นเสียดังนั้นความจําจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราได้กระทำลงไปทั้งในอดีตและปัจจุบันไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ถ้าเราได้พบเพื่อนๆที่เพิ่งจะเดินออกมาจากโรงภาพยนตร์หลังจากภาพยนตร์เลิกแล้วนั้นถ้าเราจะลองถามเพื่อทดสอบความจำของคนเหล่านี้ว่าเขาได้จำอะไรได้บ้างจากภาพยนตร์ที่เขาได้ดูมาคุณจะพบว่า ความจำของคนเหล่านั้นผิดแปกแตกต่างกันออกไปเช่นบางคนจำฉากที่สวยงามในบางฉากได้อย่างติดตาตรึงใจบางคนก็จดจำคำพูดของตัวละครสำคัญสำคัญได้บางคนจำภาพประทับใจในบางตอนได้จำการสนทนาที่สำคัญได้ส่วนบางคนก็เผลไปจดจำอารมณ์ที่แสดงออกมาทางสีหน้าและท่าทางของตัวละครทั้งนี้ก็ดังที่ข้าพเจ้าได้เคยกล่าวมาแล้วว่าความจำของมนุษย์เรานั้นมีหลายแบบหลายอย่างเช่น ความจำอันเกิดจากจักษุประสาทคือการแลเห็นความจำเกิดจากโสตประสาทคือการได้ยินความจำอันเกิดจากสิ่งเราอารมณ์ความจำอันเกิดจากการศึกษาหาความรู้ซึ่งถ้าคุณหวนกลับไปพลิกดูเรื่องการทดสอบความจำต่างๆดังกล่าวมาในตอนต้นๆแล้วจะเห็นได้ชัดว่าความจำนั้นเมื่อนึกได้อย่างหนึ่งแล้วมักจะโยงไปถึงเรื่องอื่นเสมอและถ้าคุณได้ฝึกหัดจริงๆแล้วจะเห็นได้ว่า การฝึกความจำทั้งด้วยวิธีฝึกความจำดวงหน้าในแบบที่1และแบบที่สองฝึกการจดจำสิ่งต่างๆฝึกการจำด้วยวิธีดูภาพถ่ายหรือภาพวาดนั้นล้วนไม่ใช่ของยากนักหนาอะไรเลยยิ่งกว่านั้นถ้าเรายังอาจพูดได้อีกว่าการกระทําเพื่อที่จะจดจำนั้นส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวในการทํางานของจิตใจซึ่งไม่อาจจะอธิบายให้ทราบถึงการกระทําที่แท้จริงของจิตใจได้แม้ว่าบรรดานักจิตวิทยานักปราชญาแพทย์ และนักปรัชญาที่ว่าด้วยความจริงตามธรรมชาติจะได้เพียงพยายามที่จะศึกษาหาความจริงในเรื่องนี้แต่ก็ยังไม่สำเร็จมันยังคงเป็นเสมือนผีกระสือที่กล้าท้าทายต่อความพยายามใดๆที่ต้องสลายลงในที่สุดมันเป็นเสมือนปีศาจและไม่เป็นการประหลาดเลยที่คนในสมัยโบราณพากันเชื่อถือว่าความจานั้นคือเทพเจ้าองค์หนึ่งในเทพเจ้าทั้งหลายแลความจาจะแสดงตัวออกมาเมื่อไร ความจำนั้นจะทำงานเหมือนกับเครื่องบันทึกเสียงในทันทีที่การบันทึกเหตุการณ์ทั้งหลายได้จางหายไปจากความตั้งใจของเราในการที่จะเก็บมันไว้ในสมองช่องแห่งความจำแล้วต่อมาภายหลังความทรงจำของเราก็จะเป็นผู้ที่คอยบอกความจริงทั้งหลายอันเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นๆแก่เราเมื่อเราต้องการจะรื้อฟื้นขึ้นมาหรือไม่ก็ตามดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าลำดับชั้นของความจำนั้นมีหลายชั้นด้วยกันซึ่งข้าพเจ้าจะได้กล่าวต่อไปโดยลำดับ แต่ถ้าว่าขนาดนี้มีความจำเป็นที่ข้าพเจ้าจะต้องขอย้าว่าความจำของเรานั้นมักจะทำงานไปอย่างอิสระคือแม้เราไม่ตั้งใจที่จะจดจำแต่มันก็คงรับเอาสิ่งต่างๆที่เราได้ยินได้เห็นเข้าไปเก็บไว้ในช่องความจำแห่งสมองของเราเพื่อประกอบความจริงในข้อนี้ขอให้คิดย้อนไปถึงเรื่องความทรงจำของเด็กๆซึ่งความทรงจาของเด็กจะทาการบันทึกสิ่งที่ได้ยินได้เห็นได้ดมกลิ่นเข้าไว้ ทั้งที่เด็กยังไม่มีความต้องการที่จะจดจำมันเลยความจำกระทางานโดยอัตโนมัติหรือไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวความจำของคุณจะทำการสะสมสิ่งต่างๆที่ได้ผ่านประสาทสัมผัสของคุณอยู่เรื่อยไปเป็นการทำงานโดยอัตโนมัติและโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจและในขณะเดียวกัน มันก็จะเก็บเอาประสบการณ์นั้นๆเข้าไว้ในช่องความจำแห่งสมองถ้าเป็นในรายที่เป็นคนไร้การศึกษาและปราศจากความสนใจในสิ่งนั้นๆแล้วการทำงานของสมองในช่องความจำจะทำงานมากหรือน้อยย่อมผิดแพกแตกต่างกันไปแต่ละบุคคลไปส่วนในรายที่เป็นนักดนตรีนักเขียนสารคดีนั้นมักจะมีพรสวรรค์พิเศษในเรื่องที่เกี่ยวกับความจา คนพวกนี้มีความจดจำใส่ราวกับแก้วผลึกสามารถจำคําพูดเรื่องราวต่างๆได้ยืดยาวและไม่ผิดเพี้ยนทั้งจำได้เร็วเป็นพิเศษความจำมิใช่กลาศาสตร์มีบุคคลจำนวนไม่น้อยที่นำเอาความจำเข้าไปปะปนกับกลาศาสตร์และหลายคนคิดว่าคนที่มีความรู้ทางกลาศาสตร์นั้นจะเป็นคนที่มีความจำดีเลิศ ความเข้าใจเช่นนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างมหันเพราะการฝึกในด้านกลศาสตร์หรือวิชาการต่างๆนั้นเป็นประโยชน์แต่เฉพาะในสภาวะแวดล้อมที่อยู่ในลักษณะปกติธรรมชาติเท่านั้นแต่มันจะไม่ช่วยให้ประสิทธิภาพของความจำทั่วๆวไปดีขึ้นเลยเราใคร่เน้นให้คุณได้ตรักะว่าความจำจะดีหรือเลวนั้นย่อมขึ้นอยู่กับการวิทยาแห่งความเนึกคิดและชาวปัญญาโดยตรงขอให้จำไว้ว่า ความจำจะดีหรือเลวเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับบุคลิกลักษณะของแต่ละคนนอกจากนั้นความจำจะมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับการที่ว่าได้มีการฝึกฝนและรู้จักการใช้เพียงใดเราจะจำได้ดีที่สุดถ้าเราชอบหลักสุดท้ายนี้เป็นหลักที่จัดว่ามีความสำคัญที่สุดข้าพเจ้าคิดว่าคุณคุณส่นมากคงจะได้ผ่านพบมากับตัวเองแล้วในขณะที่เราทั้งหลายอยู่ในวัยเรียนว่า ในการเรียนวิชาบางวิชาแม้ว่าครูอาจารย์จะได้พร่ำสอนเราเพียงไรก็ตามแต่เราก็ยังจดจำไม่ได้อยู่ดีทั้งนี้เหตุผลสำคัญก็คือเราไม่ชอบหน้าครูผู้สอนวิชานั้นเมื่อเราไม่ชอบความสนใจก็ได้ลงไปหรืออาจไม่สนใจเลยแบบที่โบราณว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาหาได้จดจำไว้ไม่ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ความจำนั้นเกี่ยวข้องกับบุคลิกลักษณะของบุคคลที่เราจะจำหรือมาพูดข้อความให้เราจำด้วยทั้งยังขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงทั้งหลายที่ทำให้เราต้องคิดใคร่ครวนด้วยความจำขึ้นอยู่กับความตั้งใจด้วยหรือไม่ต่อคำถามข้อนี้ขอตอบว่าไม่มีข้อสงสัยอันใดเลยความจำย่อมขึ้นอยู่กับความตั้งใจดังนั้นเพื่อที่จะจดจาคุณต้อง มีความตั้งใจที่จะจำสนใจในสิ่งที่คุณจะต้องจำนั้นคนส่วนมากไม่ทราบว่าจะเรียนหรือรู้วิธีจำนั้นควรจะต้องทำอย่างไรกล่าวได้ว่าเก้าในสิบไม่มีความสนใจดังนั้นขอให้ระลึกไว้ว่าความจำนั้นจะเจริญงอกงามขึ้นถ้าหากว่าคุณได้มีความสนใจในอันที่จะจำมากขึ้นอาจมีผู้ถามว่าความตั้งใจคืออะไร ความตั้งใจเกิดขึ้นเมื่อจิตใจของเรามารวมกันเพ่งเล็งอยู่ที่เฉพาะข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งเพียงอันเดียวจุดศูนย์ร่วมของความตั้งใจนั้นทําให้เกิดการเกี่ยวเนื่องกับความคิดบางอย่างก็ขึ้นอยู่กับรูปลักษณะของคําพูดที่เกิดขึ้นบางทีก็ทําให้เกิดความรู้สึกในการเพ่งเล็งตื่นตัวเพราะได้ยินเสียงพูดนั้นๆความจํานั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจเป็นประการแรก เราให้ความตั้งใจในการารับฟังสิ่งที่เราได้ยินหรือที่เราเห็นและความจำจะดีมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความสนใจที่เราให้แก่เรื่องที่เราจะจำนั้นดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าเรามักจะจาได้แม่นยาเสมอถ้าหากว่าเราชอบและปัญหาทั้งหลายเหล่านั้นขึ้นอยู่กับความสนใจในสิ่งที่เราจะจำข้าพเจ้าคิดว่าใครคนใดคนหนึ่งสามารถจะจาได้แม้สิ่งที่ใครๆหลายคนบอกว่ายากที่จะจาได้ ถ้าหากคนนั้นมีความสนใจที่จะจดจำอย่างแท้จริงความจำขึ้นอยู่กับนิสัยหรือไม่ก่อนอื่นคุณจะต้องทราบเสียก่อนว่าอะไรคือนิสัยตอบได้ว่านิสัยคือแนวทางแห่งการกระทำซึ่งเกิดขึ้นโดยทางกระทำซ้ำๆหลายๆครั้งหรือได้ฝึกหัดสอนมาว่าให้กระทำอย่างนั้นอย่างนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าและก็เพราะนิสัยนี่แหละที่ทำให้เราสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับโลกกว้างรอบๆตัวเรานี้ได้ ถ้ากระนั้นอะไรคือสิ่งที่ผิดแปลกแตกต่างระหว่างความจำและนิสัยของเราเราทุกคนต่างก็ได้ทราบถึงวิธีการใช้ซ่อมช้อนว่าควรจะใช้อย่างไรและเราก็ใช้เช่นนั้นตลอดมาเช่นนี้เรียกว่าเป็นนิสัยแต่ความจำก็เข้ามามีส่วนอยู่ด้วยในเรื่องนี้เพราะว่าการกระทาวงเล็บเปิดการใช้ซ่อมช้อนวงเล็บปิด ได้เกิดเป็นรากฐานที่ทำซ้ำๆกันจนกระทําให้เราเกิดความจำได้แม้โดยไม่ตั้งใจที่จะจดจำก็ตามอย่างไรก็ดีอาจกล่าวได้ว่าเหนือสิ่งอื่นใดความจำก็คือความคิดชนิดหนึ่งความจำได้เกิดขึ้นได้ก่อตัวของมันขึ้นในจิตใจของเราและโปรดจำไว้ว่านิสัยและความรู้นั้นได้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นในลักษณะที่ผิดกัน แต่นั่นก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะขัดขวางมิให้มันทำงานร่วมกันซึ่งมักจะมีอยู่บ่อยครั้งทีเดียวอย่างเช่นเมื่อครูสั่งให้เราท่องอาขยานเป็นต้นแต่ถ้าพูดให้ถูกต้องแล้วข้าพเจ้าว่าเรื่องการท่องอาขยานนี้ไม่ใช่เรื่องของความจำโดยแท้ความจำขึ้นอยู่กับการกระทำซ้ำๆกันหรือจงกระทำซ้าอีกครั้งทำซ้าๆกันอีกแล้วคุณจะสามารถจดจาสิ่งนั้นได้เสมอไป คุณคุณคงจะเคยได้ฟังประโยคนี้หรือที่มีความหมายในทำนองนี้มาแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งครั้งในขณะที่คุณยังอยู่ในวัยเรียนครูมักจะสอนให้เราท่องจำเมื่อเราเขียนตามคําบอกผิดคําใดครูมักจะให้เราแก้โดยเขียนคํคๆนั้นลงในสมุดซ้ำๆกันไม่ต่ำกว่า1ิบคทาทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้เราจดจำคาที่เราเขียนผิดนั้นๆได้ การท่องศัพท์ภาษาอังกฤษซ้ำๆกันด้วยการออกเสียงดังๆครั้งแล้วครั้งเล่าในที่สุดก็จะทำให้เราจำคำศัพท์นั้นได้นักเรียนที่ท่องอาขยานครั้งแล้วครั้งเล่าในที่สุดบทอาขยานยาวๆก็จะเข้าไปอยู่ในสมองในช่องแห่งความจำซึ่งจะนำออกมาใช้ได้ทันทีที่ต้องการเหล่านี้แหละที่หลายคนเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความจำแต่นักปราชญ์ทั้งหลายและผู้เชี่ยวชาญในปรัชญาแห่งความจำกล่าวว่า กรณีดังกล่าวมาแล้วนั้นหาใช่ความจาไม่มันเป็นเพียงความจําได้เท่านั้นแต่การกระทาซ้ำๆกันเช่นนี้ไม่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นความเข้าใจหรือความตั้งใจส่วนในเรื่องการกระทาซ้ำๆนั้นหรือคุณจะเห็นว่าการกระทาซ้ำๆกันนั้นมันมีอยู่ในทุกผลทุกแห่ง นักโฆษณาย่อมจะต้องพยายามโฆษณาเข้าหูเราอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่ามองไปทางไหนคุณจะแลเห็นเขาติดประกาศโฆษณารายชื่อยานั้นๆเห็นประกาศขายบุหรี่ชนิดนั้นๆเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อนั้นๆและอื่นๆเหล่านี้เป็นการกระทาซ้ำๆซักๆโฆษณาอยู่ตลอดวันตลอดปีปีแล้วปีเล่าทั้งในวิทยุโทรทัศน์ใช้กระจกในโรงภา พ, พยนตร์ มันก็เหมือนกับการที่มีคนเอาค้อนมาทุบศีรษะเรานั่นแหละเป็นความกดดันสิ่งเหล่านี้เข้าไปในสมองของเราผสมกับการกระทำซ้ำๆซากๆแผ่นป้ายโฆษณาทุกชิ้นภาพยนตร์โฆษณาทุกตอน มีความมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความสันสเทือนจุดสนใจของผู้พบเห็นและได้ยินไม่ว่าจะโดยคำพูดสีสันหรือภาพที่ใช้ในการโฆษณาสมองของเราได้รับการยัดเยียดเช่นนี้แม้ไม่สนใจจะจดจำแต่มันก็เกิดการจำได้เพราะถูกคำพูดกรอกเข้าไปทางหูภาพส่งเข้าไปทางตาอยู่ทุกคืนวันไม่ว่าคุณจะเข้าใจหรือไม่ก็ตามเมื่อคุณจำได้มันก็เป็นความสำเร็จของนักโฆษณาแล้ว ความจำขึ้นอยู่กับอารมณ์หรือบุคคลส่วนมากมักจะมีการรวบรวมความทรงจำไว้มากมายหลายเรื่องด้วยกันความคิดคำนึงของเขาเหล่านั้นย่อมรวมเอาอารมณ์ต่างๆเข้ามารวมกันอารมณ์เหล่านี้จะเป็นรากฐานอันมั่นคงบุคคลเช่นนั้นสามารถควบคุมความรู้สึกและความนึกคิดของเขาได้และเขาจะจำเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงนั้นได้แม้ภายในสามสิบปีก็ตาม ทั้งนี้ก็เพราะเขาได้รับเอาข้อเท็จจริงเหล่านั้นเข้าไปไว้ในช่องความจําของสมองในส่วนลึกความนึกคิดนั้นกล่าวได้ว่าเป็นบ่าวที่ซื่อสัตย์ความทรงจําเราได้เคยคิดเคยเห็นนักประพันธ์ใหญ่ๆมามากแล้วบุคคลเหล่านี้มีความนึกคิดมีจินตนาการมากเขาจึงจําอะไรได้ง่าย เพราะความคิดคำหนึ่งนั้นกระทำให้ความจําของคุณสดใสสม่าเสมอและมีความรู้สึกที่จะคอยกระตุ้นเตือนสิ่งทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาความเกี่ยวโยงนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเพราะถ้าหากว่าความจําจะสามารถเอากลับคืนมาได้เพราะความนึกคิดแล้วความคิดนึกก็ย่อมสามารถจเจริญตัวรุ่งเรืองขึ้นได้เหมือนกันคุณจะเห็นว่ามันเป็นการง่ายที่จะจดจาเหตุการณ์และข้อเท็จจริงต่างๆในประวัติศาสตร์ เช่นวันที่เดือนปีชื่อถ้าหากว่าเราได้คิดถึงฉากซึ่งเป็นรูปภาพวาดอันเป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะจำนี่เป็นส่วนหนึ่งของวิธีฝึกความจำที่เราจะได้พูดถึงในลำดับต่อไปอย่างไรก็ดีในบางการณีความนึกคิดก็อาจจะกลายเป็นอุปสรรคขวางกัน้นก็อให้เกิดเงาเมิดในความทรงจำดังนี้อาจเป็นเพราะเกิดความหวาดกลัวจนตะลึงงินไปก็ได้ ขอให้เราลองหวนคิดถึงคนที่เป็นโรคเส้นประสาทที่ตกใจจนเป็นอมพาสไปเป็นตัวอย่างความจำก็เช่นเดียวกันถ้าตกใจมากเกินไปก็อาจทำให้ความจำเกิดหยุดชะงักคิดอะไรนึกอะไรไม่ออกเลยก็ได้เช่นกันลักษณะเช่นนี้เราเรียก mentally b l o c k e ซึ่งเกิดขึ้นโดยความคิดที่ปกติแล้วไม่เกิดขึ้นแก่ชนทั่วไปที่มีสภาพจิตปกติและถ้าหากว่ากรณีเป็นเช่นแล้วละก็ การรักษาพยาบาลหรือการแก้ไขไม่ใช่เป็นการแก้ไขในเรื่องเกี่ยวกับความทรงจำหากแต่จะต้องแก้ไขด้านจิตวิทยาซึ่งเป็นความบกพร่องทางจิตที่ได้มาปิดกั้นมีให้จำงานได้ตามปกติความจำขึ้นอยู่กับสมาธิหรือไม่ปัญหาที่ว่า ความจำขึ้นอยู่กับสมาธิหรือไม่นี้ได้กลายเป็นเรื่องที่ออกจะสับสนอยู่ไม่น้อยโดยปกติเราได้ทราบกันแล้วว่ามีหลักการใหญ่ๆอยู่สองประการในอันที่จะปลูกความจำและให้ความจำนั้นอยู่ภายใต้บังคับที่เราจะนำออกมาใช้ได้ในทันทีหลักใหญ่สองประการนั้นได้แก่ความตั้งใจและความสนใจที่เราให้ต่อสิ่งที่เรากาลังศึกษาเล่าเรียนอยู่นั้นถ้าคุณมีความตั้งใจจริงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นหมายความว่า คุณมีสมาธิแล้วอะไรละ่ะคือสมาธิอาจตอบได้ง่ายๆว่าสมาธินั้นคือความหลงไหลใจจดจอ่ออยู่แต่เฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ความหลงไหลนั้นเป็นความหลงไหลที่เราสามารถบังคับควบคุมได้บุคคลใดก็ตามที่มีสมาธิย่อมจะเพ่งเล็งอยู่ที่เฉพาะจุดที่เราได้แลเห็นเฉพาะหน้าและกำลังศึกษาอยู่สิ่งเดียวเท่านั้น เราจะไม่เอาใจใส่ต่อสิ่งอื่นๆทุกสิ่งที่มีหรือเกิดขึ้นรอบๆตัวเราสมาธิอาจเกิดมีขึ้นเองโดยอัตโนมัติเราอาจจะพบสมาธินี้ได้จากบุคคลผู้ถ้าหากว่าเรากําลังสนใจหมกมุ่นอยู่ในสิ่งใดเรื่องใดแล้วเราจะไม่ยอมให้ความสนใจหรือแม้แต่จะเลี้ยวไปมองสิ่งอื่นแม้ว่าจะมีเสียงระเบิดกึกก้องกำปนาดเกิดขึ้น ก็ดูเหมือนเราจะไม่ได้ยินนั่นเป็นเพราะเรามีสมาธิแน่วแน่ต่อสิ่งที่เรากำลังคิดกำลังทำอยู่นั้นความมีสมาธิอาจเกิดขึ้นโดยจงใจจะให้เกิดขึ้นด้วยการฝึกฝนเพื่อที่จะสร้างสมาธิก็ได้หรือเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ด, ดังกล่าวแล้วก็ได้ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าสมาธิเป็นคุณธรรมอันสูงค่ายิ่งอย่างหนึ่งของมนุษย์ผู้ต้องการความก้าวหน้า เป็นบอ่อเกิดแห่งพลังปัญญาความคิดและความจำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตและเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ยิ่งใหญ่ในทางจิตใจสามารถสร้างอำนาจของดวงจิตสร้างพลังความคิดและสร้างสมรรถภาพให้แก่มันสมองความจริงแล้วมนุษย์เกือบทุกคนมีสติปัญญามีพลังความคิดความจำมากกว่าที่แสดงออกมาตามปกติถ้าหากว่าคุณมีสมาธิ คุณจะสังเกตได้ว่าสติปัญญาความรู้ของคุณได้เพิ่มพูนมากขึ้นความจำก็ดีขึ้นด้วยในตำราเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังความจำใช้คำว่า concentration ซึ่งแปลว่าการเพ่งเล็งไปยังจุดเดียวกันหรือความจ่อจิตแต่เห็นว่าจะสละสลวยสู้คำว่าสมาธิไม่ได้ข้าพเจ้าจึงขอใช้คำไทยว่าสมาธิ ในตำราจิตวิทยากล่าวว่าดวงจิตที่เป็นสมาธิของมนุษย์เรานั้นมีกำลังแรงมากที่สุดกระแสจิตของเราที่เป็นสมาธิแน่วแน่เท่านั้นที่สามารถจะช่วยข่มดวงจิตของผู้อื่นให้ผู้นั้นคล้อยตามความคิดของเราได้ทั้งนี้จะเห็นได้ชัดในกรณีการสะกดจิตถ้าคุณติดตามดูจะเห็นได้ว่านักสะกดจิตจะต้องเป็นคนที่มีสมาธิแน่วแน่ในการศึกษาเล่าเรียนการประกอบกิจการงาน ถ้าหากว่าขาดสมาธิแล้วย่อมกล่าวได้ว่าไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จได้ตรงกันข้ามถ้ามีสมาธิความสำเร็จในการงานที่คุณลงมือทำย่อมสำเร็จอย่างไม่มีปัญหานักค้นคว้าในทางจิตวิทยาได้ยืนยันว่าสมาธิมีอำนาจในการเพิ่มพูนกำลังงานของมนุษย์เราให้มากขึ้นช่วยให้ฉลาดจะคิดจะทำงานอะไรมักสำเร็จลุล่วงด้วยดีการสร้างสมาธิ การสร้างสมาธิสำหรับบุคคลที่ขาดความแน่วแน่ขาดความสนใจในสิ่งที่ตนกระทำนั้นจัดว่าเป็นการกระทำที่ต้องฝืนใจในระยะแรกมากอยู่สักหน่อยแต่ถ้าคุณได้ฝึกฝนให้ถูกทางแล้วในที่สุดคุณก็จะรู้สึกว่าการสร้างสมาธิไม่ใช่ของยากลำบากอะไรนักและเมื่อพยายามต่อไปก็จะกลายเป็นความเคยชินอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่ตัวของคุณเอง ดังนั้นจงเร่งสร้างสมาธิเสียแต่เนิ่นๆนในการศึกษาเล่าเรียนก็ดีการทำงานอาชีพก็ดีถ้าคุณไม่เคยมีสมาธิเมื่อคุณเริ่มฝึกให้มีสมาธิด้วยความพยายามฝืนใจตนเองพยายามข่มใจบังคับให้ตนเองนั้นในระยะแรก คุณจะรู้สึกลำบากแต่ทว่าในบั้นปลายคุณจะแลเห็นคุณค่าของการสร้างสมาธิขึ้นในดวงจิตของคุณได้มากสมาธิจะทำให้คุณเกิดความสุขเพราะได้กระทำสิ่งต่างๆลุล่วงไปด้วยดีวิธีสร้างสมาธิตามแนวคิดของนักจิตวิทยานักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียงผู้สนใจในเรื่องของสมาธิได้พยายามคิดค้นหาหลักและวิธีการ ที่จะสร้างสมาธิให้เกิดมีแก่มนุษย์รุ่นหลังไว้หลายแบบหลายวิธีด้วยกันแต่สรุปแล้วคงมีหลักใหญ่ต้องกันในข้อที่ว่าผู้ฝึกจะให้จิตแน่วแน่เกิดสมาธิจะต้องเกิดความเข้าใจข้อแตกต่างของการคิดคือต้องเข้าใจความแตกต่างของการคิดในวงกว้างและคิดในวงแคบการคิดในวงกว้าง หมายความถึงการที่คุณคิดเรื่องอะไรต่ออะไรหลายเรื่องในขณะเดียวกันซึ่งมีผลไม่เกิดในด้านดีแม้แต่เรื่องเดียวการคิดในวงแคบหมายถึงการคิดที่รัดตัวในวงแคบเข้ากว่าการคิดในวงกว้างและการคิดในวงแคบนี้แหละที่เราเรียกว่าสมาธิถ้าจะเปรียบเทียบสมาธิกับการถ่ายรูปแล้วสมาธิย่อมหมายถึงจุดรวมแสงหรือที่มักจะเรียกทับศัพท์ว่าโฟกัส กล่าวคือเมื่อเราจะถ่ายรูปให้ได้ภาพชัดเจนแจ่มใสเราจะต้องปรับจุดรวมแสงให้เหมาะสมมิฉะนั้นจะไม่ได้ภาพที่ชัดเจนการปลูกสมาธิในดวงจิตก็เช่นเดียวกันถ้าต้องการให้เกิดความเข้าใจจดจำในสิ่งใดก็ต้องตั้งสมาธิให้แน่วแน่ต่อสิ่งนั้นอย่างไรก็ดีนักจิตวิทยามีความคิดเห็นต้องกันว่า วิธีที่จะปลูกสมาธิให้เกิดขึ้นในดวงจิตนั้นอาจจะทำได้ด้วยวิธีต่างๆกันดังต่อไปนี้คือหนึ่งปลูกความตั้งใจได้แก่การที่เราจะต้องหาวิธีที่จะชักจูงใจให้เราเกิดความตั้งใจในสิ่งที่เราต้องการจะทำให้สำเร็จลุล่วงไปทั้งนี้ก็เพราะสมาธิจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นั้นข้อสำคัญอยู่ที่ว่าคุณมีความตั้งใจจริงเพียงพอหรือไม่ การปลูกความตั้งใจนั้นอาจจะกระทำดังนี้คือการฝึกดึงดวงจิตให้กลับคืนเข้าสู่สภาพเดิมคือเมื่อเรากำลังจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่และถ้าบังเอิญดวงจิตได้เลื่อนลอยไปสู่สิ่งอื่นเรื่องอื่นนอกจากสิ่งที่กำลังทำหรือกำลังคิดค้างๆอยู่แล้วจงพยายามรีบดึงดวงจิตที่กระเจิดกระเจิงไปนั้นให้กลับคืนมาโดยเร็วการดึงดวงจิตหรือความนึกคิดที่กระเจิดกระเจิงไปนั้นข้าพเจ้าเชื่อว่า ทุกคนถ้ามีความตั้งใจจริงแล้วย่อมทำได้เสียแต่ว่าบางคนไม่ยอมกระทำดังนั้นจึงใคร่ขอแนะนำให้วางหลักไว้ในใจของคุณว่าถ้าดวงจิตของคุณเริ่มคลาดเคลื่อนเลื่อนลอยไปจากสิ่งที่คุณกำลังคิดกำลังทำอยู่แล้วไซจงพยายามดึงกลับมาแม้ครั้งแรกจะรู้สึกยากลำบากใจอยู่บ้างแต่ต่อไปจะพบว่าเกิดผลดีแก่คุณมาก ถ้าแม้ว่าดวงจิตของคุณได้รับการฝึกฝนทำนองนี้อยู่เสมอคือเมื่อเลื่อนลอยก็ถูกดึงกลับมาสู่จุดเดิมเช่นนี้บ่อยครั้งเข้าแล้วในที่สุดดวงจิตก็จะไม่เลื่อนลอยไปไหนเช่นเดียวกับเด็กนักเรียนที่เริ่มหนีโรงเรียนและเมื่อหนีครั้งใดก็ถูกครูหรือผู้ปกครองจับได้ถูกลงโทษและถูกนำตัวกลับมายัางโรงเรียนอยู่ทุกครั้งดังนี้แล้วเด็กนั้นก็จะเลิกคิดหนีโรงเรียนกลายเป็นคนรักอยู่รู้เรียนไปได้ในที่สุด นักจิตวิทยาบางกลุ่มแนะวิธีปลูกความตั้งใจโดยให้ถือหลักอยู่ในใจตลอดเวลาว่าเราจะทำงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งเพียงชิ้นเดียวในเวลาหนึ่งซึ่งหลักนี้ถอดมาจากภาษาอังกฤษที่ว่า one thing in one time กล่าวคือเราจะต้องไม่ทำงานหลายอย่างไม่คิดหลายเรื่องในเวลาเดียวกันส่วนนักจิตวิทยาอีกกลุ่มหนึ่งแนะวิธีปลูกความตั้งใจโดยให้เราตั้งใจหรือจะบอกกับตัวเราเอง ขณะทำงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ว่าเราจะทำงานนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปเสียก่อนแล้วจึงจะทำงานชิ้นอื่นต่อไปไม่ว่าจะชอบงานชิ้นนั้นหรือไม่ก็ตามทีและถ้าหากว่าในขณะที่เรากำลังทำงานอย่างหนึ่งหรือกำลังคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่แต่มีงานอีกอย่างหนึ่งหรืออีกเรื่องหนึ่งเข้ามาพัวพันอยู่ในความนึกคิดในสมองอันทำให้ห้วงจิตต้องเลื่อนลอยไปในเรื่องนั้นแล้ว ตามหลักจิตวิทยาทั่วไปแนะว่าจงพยายามขจัดความคิดถึงเรื่องอื่นๆเสียแล้วดึงความคิดที่กระเจิดกระเจิงให้กลับมาสู่เรื่องหรือปัญหาเฉพาะหน้าเพียงเรื่องเดียวให้สำเร็จลุล่วงไปแต่ถ้าได้พยายามแล้วและไม่เป็นผลคือไม่อาจจะบังคับดวงจิตที่กำลังเลื่อนลอยนั้นได้แล้วจงหยุดทำงานชิ้นนั้นสักครู่แล้วผ่อนปลนแก้ไขด้วยการเขียนชื่อเรื่องต่างๆที่กำลังเข้ามาพัวพันอยู่ในสมองของคุณ ลงในเศษกระดาษชิ้นหนึ่งเขียนลงไปทุกเรื่องที่คุณกำลังคุ่นคิดสับสนกันอยู่นั้นแล้วพิจารณาดูเรื่องเหล่านั้นสักครู่เพื่อเป็นการพักสมองคลายความเครียดแล้วจึงตัดสินใจว่าเรื่องทั้งหมดนั้นล้วนเป็นเรื่องที่ควรแก่การกังวลจริงแต่คุณควรจะทำเรื่องที่กำลังทำค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นไปเสียก่อนเหตุผลของนักจิตวิทยาที่เสนอแนะดังกล่าวนี้ก็โดยที่ท่านเหล่านั้นมีความคิดเห็นว่า อันจิตมนุษย์เรานั้นก็เหมือนเด็กที่มีนิสัยดื้อรั้นจะเอาแต่ใจตนเมื่อคิดว้าวุ่นจะเอานั่นเอานี้แล้วก็ต้องพยายามที่จะเอาให้ได้ตามความพอใจดังนั้นเราจึงควรจะทำตามความพอใจเสียบ้างเพื่อขจัดความว้าวุ่นนั้นให้ลดน้อยลงไปจนถึงระ ง, งับสิน้นแทนที่จะไปแข็งขืนทำให้เพิ่มมากขึ้น 2. หัดคิดแต่ในวงแคบ สมาธิจะมีไม่ได้ถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่มีนิสัยชอบคิดอะไรต่ออะไรเลื่อนเปืื่นไปในวงกว้าง หรือปราศจากขอบเขตเหมือนคนที่ชอบเพ้อฝันไม่พยายามหยิบยกเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาคบคิดโดยเฉพาะถ้าเป็นเช่นนี้แล้วเป็นของแน่นักที่ว่าสมาธิจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยคนที่ขาดสมาธิส่วนมากมักเป็นคนที่เห็นปริมาณสำคัญกว่าคุณภาพด้วยเหตุนี้นักจิตวิทยาจึงเสนอแน่วิธีปลูกสมาธิไม่สองประการคือ ประการแรกฝึกนิสัยให้เห็นคุณภาพมีความสำคัญกว่าปริมาณประการที่สองอย่าคิดอะไรแต่ผิวเผินแต่จงคิดให้ลึกซึง้ง 3. รู้จักยึดประเด็นแต่การปลูกสมาธิคุณจะต้องฝึกหัดให้เป็นคนมีประเด็นคือจะต้องพูดจะคิดอะไรต้องให้อยู่ในประเด็นไม่ว่าจะพูดหรือจะเขียนอะไรต้องอยู่ในประเด็นของเรื่องไม่ออกนอกลู่นอกทาง 4. บังคับจิตให้มีวินยัย ดวงจิตของมนุษย์ก็เช่นเดียวกับร่างกายส่วนอื่นๆของเราเช่นมือแขนขาเท้าและอื่นๆที่จะต้องได้รับการฝึกฝนให้เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วและมีระเบียบวินยัยเพราะในบางครั้งดวงจิตของคุณอาจจะชอบทำอะไรตามใจชอบเช่นถ้าคุณเป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรไม่เคยเกียจคร้าน แต่ก็มีเป็นบางครั้งบางเวลาเหมือนกันที่คุณอาจจะรู้สึกเกยียดคร้านขึ้นมาทันทีทันใดไม่อยากคิดไม่อยากทำงานอะไรเพราะหน้าที่ความจำเป็นบังคับทำให้คุณต้องฝืนใจทำไปจนเวลางานหรือว่างานชิ้นนั้นจะเสร็จสิ้นทั้งๆคุณไม่อยากจะทำดวงจิตเช่นนี้นักจิตวิทยาเรียกว่าเป็นดวงจิตที่ปราศจากวินยัยและดวงจิตอันปราศจากวินัยนั้นย่อมสร้างสมาธิได้ยาก ดังนั้นอุปกรณ์อันสําคัญที่จะช่วยให้เกิดสมาธิขึ้นในดวงจิตก็คือต้องฝึกหัดให้ดวงจิตมีระเบียบวินยัยจากเหตุผลต่างๆดังกล่าวมาแล้วอาจจะกล่าวโดยสรุปได้ว่าการสร้างสมาธิคือการข่มจิตดวงจิตที่ถูกข่มแล้วย่อมจะรู้จักอยู่ในระเบียบวินยัยและนั่นคือการมีสมาธิอุปสรรคของการปลูกสมาธิอีกประการหนึ่งได้แก่การปล่อยความคิดให้เลื่อนลอยเลื่อนเปื้อนไป แบบที่เรียกว่าฝันกลางวันดังนั้นจึงขอให้พยายามละทิ้งความคิดที่เลื่อนเปื้อนนั้นเสียโดยเด็ดขาดและถ้าหากว่าคุณสามารถทำได้ดังนั้นแล้วคุณก็สามารถที่จะปลูกสมาธิได้ 5. การพักผ่อนที่ถูกวิธีการพักผ่อนย่อมเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นมากในการปลูกสมาธิเช่นเดียวกับการสร้างพลังกายพลังความคิด ทั้งนี้ก็เพราะเมื่อเราได้ทำงานมาตลอดทั้งวันแล้วเราก็ย่อมจะเกิดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้าต้องการพักผ่อนมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจกักรและแม้เครื่องจักรก็ยังต้องการเวลาพักเครื่องดังนี้แล้วเมื่อเราทำงานมาเกือบตลอดหรือตลอดวันวงเล็บเปิดกลางวันวงเล็บปิด แล้วเราก็ย่อมต้องการการพักผ่อนและการพักผ่อนนั้นเราจะต้องรู้จักวิธีการพักผ่อนที่ดีด้วยจึงจะได้รับประโยชน์ในการพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมพลังกายพลังความคิดที่ได้เสียไปให้กลับคืนมาทั้งยังช่วยให้การเสริมสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นแก่ดวงจิตของเราด้วยอย่างไรเรียกว่าการพักผ่อนที่ถูกวิธีการพักผ่อนที่ถูกวิธีได้แก่การที่เมื่อคุณต้องการพักผ่อนแล้ว ก็จะได้รับการพักผ่อนจริงๆคือพักผ่อนทั้งทางร่างกายและสมองในทางร่างกายนั้นก็จะได้รับการพักผ่อนทุกส่วนเช่นในขณะนอนพักให้มือเท้าแขนขาทุกส่วนสัตว์ของร่างกายได้รับการพักผ่อนโดยแท้ส่วนในทางดวงจิตนั้นคุณจะต้องพยายามกวาดล้างความคิดที่ว้าวุ่นต่างๆให้สิ้นไปจากสมองไม่ให้มีกังวลในใจอะไรเหลืออยู่ถ้าหากว่าคุณทาได้ดังนี้แล้วคุณจะหลับได้สนิท เป็นการสร้างพลังให้แก่ทั้งร่างกายและมันสมองการหลับให้สนิทแม้จะเป็นเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงก็เพียงพอแก่การพักสมองและให้ผลเท่ากับการหลับนานๆเมื่อตื่นขึ้นมาคุณจะพบว่าสมองโปรโ่งแจ่มใสขึ้นและมีสมาธิแน่แน่ขึ้น 6. จงฝึกให้มีความจริงใจนักจิตวิทยากล่าวว่าดวงจิตที่ไร้ความจริงใจนั้นมักจะเป็นดวงจิตที่ปราศจากสมาธิ ดังนั้นถ้าคุณต้องการให้ดวงจิตมีสมาธิจะต้องฝึกให้มีความจริงใจไว้เสมอวิธีฝึกให้มีความจริงใจนั้นอาจกระทําได้ด้วยการคอยระวังสอบถามตนเองขณะปฏิบัติงานหรือศึกษาเล่าเรียนอยู่นั้นว่าได้ทํางานและได้ศึกษาว่าด้วยความสนใจหรือไม่ถ้าคําตอบที่ได้รับเป็นไปในทางปฏิเสธคือคุณทํางานหรือเล่าเรียนด้วยความไม่เต็มใจและไม่จริงใจแล้วจงฝึกด้วยวิธีหักใจคิดเสียใหม่ว่า มันเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องทำเพราะถ้าคุณทำงานโดยปราศจากความเต็มใจงานนั้นย่อมแล้วเสร็จล่าช้าหรืออาจสำเร็จโดยไม่ได้ผลดีจึงไม่มีประโยชน์ที่คุณจะทํางานหรือเล่าเรียนโดยขาดความตั้งใจขาดความสนใจไร้สมาธิเช่นนั้นถ้าคุณปรารถนาความสำเร็จขอเตือนว่าจงพยายามฝึกให้มีความจริงใจในการงานทุกอย่างเพราะนั่นเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยในการสร้างสมาธิ เจงคิดแต่ในทางสร้างนักจิตวิทยาได้แบ่งความคิดของมนุษย์เราออกเป็นสองอย่างคือคิดในทางสร้างสรรค์อย่างหนึ่งและคิดในทางทำลายอีกทางหนึ่งความคิดในทางทำลายนั้นมักจะทําให้ดวงจิตเกิดแต่ความฟุ้งซ่านปราศจากสมาธิเพราะคอยแต่คิดจะหาทางทําลายด้วยวิธีต่างๆให้วา้าวุ่นแต่ลงท้ายที่สุดก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความพึงใจแม้แต่วิธีเดียวส่วนบุคคลที่มีความคิดในทางสร้างนั้น ย่อมจะฝังจิตใจแน่วแน่อยู่แต่เฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อมุมาณนะคิดสร้างการงานนั้นๆให้เป็นผลสาเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าความคิดแน่วแน่ในทางสร้างสรรจึงเป็นความคิดที่จะช่วยสร้างสมาธิให้เกิดแก่ดวงจิตได้อีกทางหนึ่งความจำขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาหรือไม่ ก่อนจะพูดถึงการเก็บและการจัดลำดับความจำต่างๆลงในสมองของเราข้าพเจ้าขอให้ลองหวนกลับไปดูการเก็บเอกสารต่างๆเข้าแฟ้มเสียก่อนจะช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้นกล่าวคือถ้าหากว่าเรามีเรื่องราวที่จดจำบันทึกไว้หลายเรื่อง โดยใช้กระดาษบันทึกหลายแผ่นด้วยกันหรือมีจดหมายโต้ตอบที่จะต้องกล่าวอ้างถึงในหัวเรื่องต่างๆมากมายหลายสิบเรื่องด้วยกันดังนี้แล้วเราจะทำอย่างไรดีเพื่อสะดวกแก่การค้นหานำมาใช้เมื่อต้องการคำตอบต่อปัญหานี้ ได้แก่การเก็บเรียงลำดับเอกสารต่างๆเหล่านั้นเข้าแฟ้มอย่างถูกต้องตามวิธีการเก็บเอกสารโดยจะแยกตามหัวของเรื่องหรือแยกตามชื่อของผู้เขียนเรื่องนั้นๆก็ได้แล้วแต่กรณีในการเก็บบันทึกจดหมายโต้อตอบต่า ง, างๆเข้าแฟ้มนั้นเราจะต้องจัดให้เป็นระเบียบเพื่อง่ายแก่การที่จะหยิบมาใช้กล่าวอ้างถึงเมื่อต้องการ ในทุกวันนี้บุคคลที่ประกอบธุรกิจทุกชนิดที่มีการติดต่อโต้อตอบทางจดหมายมีการจดบันทึกต่างๆอันเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนั้นมักจะได้มีการจัดวางระเบียบการเก็บเอกสารแยกประเภทเอกสารต่างๆไว้อย่างถูกต้องรัดกุมแต่ในขณะเดียวกันบุคคลเหล่านั้นมักไม่ค่อยสนใจในอันที่จะจัดวางระเบียบเช่นนั้นกับความจำเขาไม่ได้คิดว่าความจริงของสมองมนุษย์เรานั้น ก็เหมือนแฟ้มเก็บเอกสารขนาดใหญ่ซึ่งต้องการให้มีการจัดระเบียบในการเก็บความจําไว้ในสมองเช่นเดียวกับการเก็บหนังสือเข้าแฟ้มถ้าคุณต้องการรื้อฟื้นเอาความจําในสิ่งต่างๆที่คุณได้เก็บเข้าไว้ในสมองออกมาใช้และต้องการให้ใช้ได้คล่องทันความต้องการนั้นคุณย่อมต้องรู้จากการจัดลําดับความจําลงในสมองให้ถูกต้องเป็นประเบียบทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องจัดไว้โดยมีสารบัญเช่นเดียวกับการเก็บหนังสือ คุณจะจําได้ด้วยวิธีใดคบตอบก็คือโดยการจัดระบบในการฝึกฝนซึ่งคุณจะได้พบจากหนังสือเล่ม น, นี้ในลำดับต่อไปแต่ขอเรียนไว้ในที่นี้ว่า ถ้าคุณศึกษาในเรื่องใดคุณจะต้องคิดหาความรู้ความคิดทั่วไปที่เกี่ยวเนื่องหรืออยู่ล้อมรอบเรื่องที่คุณศึกษาอยู่นั้นในการกระทําเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถสร้างโครงร่างของเรื่องที่กําลังศึกษานั้นๆเป็นการจำกัดวงความคิดให้แคบเข้าเพื่อให้เกิดสมาธิเมื่อเกิดสมาธิความจาอย่างแม่นยาก็จะเกิดติดตามขึ้นมา และในกรณีเช่นนี้ความจำของคุณจะก่อเป็นรูปขึ้นมาอย่างเป็นปึกแผ่นและเกี่ยวโยงไปถึงสิ่งใกล้เคียงที่อยู่ในโครงที่คุณสร้างไว้นั้นเหมือนลูกโซ่อันเป็นการช่วยให้เราเกิดความจำดีขึ้นทั้งง่ายต่อการนำออกมาใช้ซึ่งถ้าคุณกระทำได้ดังนี้แล้วรับรองได้ว่าคุณจะไม่ผิดหวังในการเก็บความจำและหรือฟื้นความจำนั้นขึ้นมาใช้เมื่อต้องการความจำขึ้นอยู่กับมโนภาพที่เกี่ยวพันกันหรือไม่ ก่อนอื่นคุณจะต้องทราบเสียก่อนว่าอะไรคือมโนภาพที่เกี่ยวพันกันคำตอบก็คือมโนภาพที่เกี่ยวพันกันนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อคุณพูดหรือคิดถึงอะไรขึ้นมาได้โดยอาศัยมโนภาพที่ก่อนที่คุณจะพูดหรือคิดได้ถึงสิ่งนั้นเป็นต้นว่าถ้าข้าพเจ้าถามว่ามโนภาพที่เกี่ยวโยงกับคำว่าดอกไม้คืออะไรบ้างคุณก็อาจจะตอบได้ว่าแจกันสีสวนดอกไม้ความงามแดงเขียว วงเล็บเปิดหรือสีอื่นใดอีกก็ได้วงเล็บปิดพื้นดินกลิ่นหอมการแต่งงานการต้อนรับและอื่นๆ ผู้ที่ได้เคยฝึกฝนในการใช้มโนภาพที่เกี่ยวโยงมาแล้วย่อมสามารถจะหาคำหรือสิ่งที่เกี่ยวโยงกันได้อีกมากมายหลายสิบคำดังนั้นเพื่อเป็นการทดลองความจำอันเกิดจากมโนภาพที่เกี่ยวโยงของคุณขอให้เราได้มาทําการทดสอบกันสักเล็กน้อยจงหยิบกระดาษขึ้นมาสักแผ่นหนึ่งนาฬิกาจับเวลาหรือนาฬิกาข้อมือของคุณก็ได้ดินสอหรือปากกาสักแท่งเอาล่ะเมื่อคุณได้อุปกรณ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จงนั่งลงตรงหน้าโต๊ะเรียนของคุณทำใจให้สบายเป็นปกติอย่าเคร่งเครียดปล่อยให้สมองของคุณเป็นอิสระเดินไปเรื่อยๆเหมือนเครื่องจักรที่ได้รับการหยอดน้ำมันหล่อลื่นดีแล้วเมื่อพร้อมแล้วจงใช้เวลาเพียงหนึ่งนาทีเขียนคำซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับคำว่าดวงอาทิตย์ลงไปในแผ่นกระดาษนั้นให้มากคำที่สุดเท่าที่คุณจะเขียนได้วงเล็บเปิดระวังคุณมีเวลาเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้น วงเล็บปิดขั้นที่2ตั้งนาฬิกาจับเวลาใหม่เพื่อทำการทดสอบในแบบฝึกหัดที่สองเมื่อพร้อมแล้วจงใช้เวลาเพียงหนึ่งนาทีเขียนคาที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับคำว่ามหาสมุทรลงไปในแผ่นกระดาษที่เตรียมไว้ให้มากที่สุดตั้งนาฬิกาจับเวลาใหม่ในการทำแบบฝึกหัดที่สมเมื่อพร้อมแล้ว จงใช้เวลาเพียงหนึ่งนาทีเขียนคำที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวยงกับคำว่าพ่อและลูกชายลงไปในแผ่นกระดาษให้ได้คำที่เกี่ยวยงกันมากที่สุดเมื่อคุณได้เขียนลงไปให้เรียบร้อยแล้วลองนําคำที่คุณเขียนลงไปนั้นมาเปรียบเทียบกับคำเฉลยของเราที่ปรากฏต่อไปนี้ซึ่งเป็นคำเฉลยที่ได้กระทําโดยบุคคลที่ได้ชื่อว่ามีความจําดีและได้ผ่านการฝึกฝนในเรื่องการมีมโนภาพเกี่ยวยงกันมาแล้วถ้าคุณเขียนคำสัมพันธ์ได้ถูกต้อง ใกล้เคียงก็แสดงว่าความจำของคุณดีถ้ายังผิดพลาดหรือน้อยมากควรฝึกฝนต่อไปคำเฉลยแบบฝึกหัดที่หนึ่งดวงอาทิตย์แสงสว่างความงามพลังชีวิตความร้อนความอุดมสมบูรณ์เข้าโพดข้าวเวลาเช้าการเกิดการบานของดอกไม้ยอดสูงสุดไม้ความเจ็บป่วยแพทย์ความเรื่มเริง ความยินดีสุขภาพสีแดงไฟคุณจะเห็นได้ว่าในเวลาเพียงหนึ่งนาทีเขียนคำเกี่ยวโยงกันได้มากถึงยี่สิบคำเช่นนี้นับว่าไม่เลวเลยแล้วคุณล่ะเป็นอย่างไรเขียนได้กี่คำอ๋อไม่เป็นปัญหาคุณอาจจะเขียนคำอื่นผิดแปลกไปจากคำเฉลยข้างต้นนี้ก็ได้ไม่เป็นไรขอให้มันเกี่ยวโยงกันได้ก็แล้วกันเช่นคุณอาจได้คำว่าดวงอาทิตย์วันพระจันทร์กลางคืน ความร้อนความเย็นและอื่นๆเหล่านี้ก็ได้จุดประสงค์ส่วนใหญ่นั้นต้องการเพียงให้มีความเกี่ยวพันกันเท่านั้นจะเลือกคำใดก็แล้วแต่ดุลยพินิษของคุณคำเฉลยต่อแบบฝึกหัดที่สองมหาสมุทรความกว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุดเรือการจากไปการจากกันความเสียใจพายุความทุกข์ทรมานความลึกลงไปข้างล่างไม่ปรากฏคลื่น เสียงคำรนคำรามปลาความเงียบความมืดความไม่ได้สติสีดำคำเฉลยต่อแบบฝึกหัดที่สพ่อและลูกชายความไว้วางใจอนาคตพลังความแข็งแรงความแจ่มใสความยิ่งใหญ่ความปลอดภัยความสงบความสุภาพความไม่เข้าใจ ทำไมข้าพเจ้าจึงขอให้คุณทำการทดสอบแบบนี้คำตอบก็คือเพราะว่าการทดสอบตามแบบฝึกหัดทั้งสามแบบนี้ถือได้ว่าเป็นรากฐานในการฝึกฝนความจำและเพราะคำที่ยกมาให้นั้นเป็นคำที่คุณสามารถจะคิดหาคำที่มีความโยงสัมพันธ์กันได้มากและไม่ยากในการจดจำยิ่งกว่านั้นมโนภาพที่เกี่ยวโยงกันนี้ถ้าคุณเริ่มฝึกจะพบว่ามันมักจะหวนกลับมาสู่มโนภาพของคุณในขณะก่อนจะหลับ แล้วจะก่อตัวเป็นความจำที่มีระเบียบในขณะที่คุณนอนหลับดังนั้นจึงขอให้คุณฝึกฝนดูจะเกิดประโยชน์ในด้านเสริมสร้างความจำได้มาก